ขอความเจริญในธรรมจะมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพติญาณในวันนี้คงพูดเรื่องอุเบกขาบารมีต่อไปดังได้กล่าวไว้ในวันก่อนว่าอุเบกขานั้นมีลักษณะของปัญญาคือการเพ่งพินิจหรือการเพ่งดูมีลักษณะการตรวจสอบ แล้วปฏิบัติการไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีคือไม่ใช่เฉยโดยไม่ได้รับรู้อะไรถ้าเราดูง่ายๆคล้ายๆกับพี่เลี้ยงหรือแม่อะไรกับเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะนะแล้วเมื่อเด็กแะเดินได้เราก็ปล่อยให้แกเดิน พอแน่ใจเราแกเดินได้ดีพอสมควรแล้วนะเรามองตามไปเรื่อยจิตใจมันจะอยู่ระหว่างอุเบกขากมุติตาหมายความมาชื่นชมดีใจที่ลูกหลานเดินได้คล่องแต่ถ้าแกเดินได้ตลอดถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมองด้วยเบกขาวางใจเป็นกลาง แต่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นการุณาเมื่อเด็กมีข่าวจะล้มและพร้อมจะเวียงเป็นมุติตาเมื่อแกจะเดินได้ดีแต่การมองในช่วงนั้นมันมองด้วยอุเบกขาอย่าลืมเรื่องการปรับเปลี่ยนนานมาแล้วมีข่าวเข้าลงในซืนสอพิมพ์ว่าที่ตลาดน้ำวัดไซพวกวรัง ก็เป็นเด็กตกน้ำํำมาคนไทยยืนมุงดูกันเป็นแถวไม่มีใครลงไปช่วยแล้วแกก็ถามมาทําไมไม่ช่วยแล้วก็บอกว่ามีคนตอบว่าเป็นกรรมของเด็กคือปล่อยไปเป็นตามกรรมไม่มีคําสอนอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาเนะคือในกรณีเด็กตกน้ําต้องใช้กรุณาไม่ได้ใช้อย่างอื่นใช้อย่างอื่นผิดหมดต้องใช้กรุณาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มันต้องชัดเจนในสถานะตัวเองว่าเราว่ายน้ําเป็นหรือเปล่าถ้าจะกระโดดลงไปช่วยต้องแน่ใจเราว่ายน้ําเป็นแล้วก็มีคนที่เราต้องช่วยขึ้นอีกหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มคนตายนะคือต้องเพิ่มคนเป็นถ้าไม่งั้นก็ต้องใช้วิธีอื่นแต่ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะปัญญาแล้วก็กรุณาอยู่แต่เป็นกรุณายัางมีปัญญาไม่ใช่ว่าการุณาทื่อๆไป อุเบกขาในวันก่อนนั้นได้พูดถึงพรหมีหารูเบกขารูเบกขาที่ใช้ในพรหมีหารด้วยการมองในตามกระบวนการของกรรมคือเรเห็นว่าคนทั่วไปเราก็มองด้วยเมตตาคนประสบปัญหาไม่ใช่คนประสบปัญหาเราก็มองด้วยกรุณาคนประสบความเจริญก็เราก็มองด้วยมุทิตาแต่คนประสบผลกรรมจะบวกหรือลบก็ตามนะแล้วก็มองด้วยอุเบกขา ก็คล้ายๆกับมองลูกหลานที่กำลังเดินได้คล่องเนี่ยเราก็มองด้วยเบิกขาลูกหลานที่กําลังหัดเดินแล้วมีข้าจะเดินได้บ้างนะเราก็มองด้วยมุทิตาแต่พร้อมจะ ก, การุณาพร้อมจะมุทิตาแล้วพอเดินได้ดีจริงๆเราก็เบิกขาได้ แต่จิตไม่นิ่งนะอย่าลือ่าไม่ใช่ว่าจิตมันนิ่งอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงแล้วจิตยังอยู่ที่เดิมไม่ได้จิตยังอยู่ที่เดิมไม่ได้จิตต้องเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของเด็กคนนั้นคือหมายความมันก็อยู่ที่เนี่ยการูนามุธิตาเบขานะอยู่ที่สามข้อเนี่ยเพราะว่าพื้นจิตมันอยู่ที่ไม่ตายอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีนี้มัน จะหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งจนลืมอีกด้านอื่นนี่ก็ไม่ได้เพราะไม่แน่ว่าเด็กมันจะเดินได้ตลอดหรือเปล่าโขกล้มไหมเดินได้ตลอดไหมจะเดินได้ตลอดแล้วก็เบขาได้มีเขาจะหกลม้มก็เกิดกรุณนาะเดินไปได้ดีก็มุทิตาในขณะที่เดินไปได้ดีเนี่ยช่วงแรกก็เป็นมุทิตาผอ ม, มั่นใจมันก็กลับมาเป็นอเบขา แต่อย่าลืมว่าพร้อมจะ ก, กรุณานะหรือพร้อมจะ ก, กรุณาเหมือนกันอุเบกขาประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าโพชังคู่เบกเบกขาเป็นอุเบกขาระดับสูงคือจริงๆมันอยู่ในฌานนะมันผ่านฌานมาแล้วคือในพวทธชงมีธรรมะเจ็ดประการอันที่จริงก็เราดูให้ดีแล้วก็คือพวกจิตสิกขากับปัญญาสิกขานั่นเอง มันเริ่มที่สติสัมโพชฌงก็คือสัมมาสติวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาไอสัมมวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือสมาธิฏฐิสัมสมาสมาังกัปปะแล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาวยามะปีติสัมโพชฌงค์ปิติแปลความ อ, อืดอิ่มนะฮะมีอาการปรากฏขึ้นที่กายบางที่จิตบ้างแล้วก็ปัสสัติ คือจิตมันสงบแล้วต่อไปเป็นสมาธิตัวนี้ที่จริงก็คือสัมมาสมาธินั่นเองหรือว่าจิตตสิิขานั่นเองแต่ผู้ชมมันมีลักษณะของปัญญาที่เด่นอุเบกขาในผู้ชมเนี่ยมันมีลักษณะปัญญาที่เด่นคือว่าถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะฮะจิตใจของเราในเรื่องบางเรื่องเช่นสมมติเรามีศรัทธา ศรัทธาเนี่ยถ้าหากว่าขาดปัญญาเข้ากำกับหรือไม่เคียงคู่ขนาน่ไปกับปัญญาเนี่ยโอกาสจะงมงายเนี่ยมันก็มีได้ง่าย <c oughs> แต่ในบางการณีเนี่ยเราอาจจะใช้ปัญญามากไปจนไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรก็แสดงว่าตอนนี้บรรชักเจะฟูงมากไปไหน่อยต้นเบี้ขาตรงนี้คือดูคือปรับปรับ จิตแคมันเสมอกันคือธรรมะปฏิบัติในชีวิตของคนเราถ้าท่านวงลองสังเกตมีอยู่ชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าอินทรีย์เนี่ยคือแต่ละข้อเนี่ยนาเป็นผู้นำไปสู่นิพพานได้ทั้งหมดทั้งทั้งห้าข้อใครนำก็ได้ท่านเรียกว่าอินทรีย์บ้างเรียกว่าภละบ้า ง, เ, าาางเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงตรวจสอบคนก่อนที่จะเทศ วันธรมเทศนาบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะปรับอินทรีย์บางอย่างมันเพาะ บ, บ่มอินทรีย์บางอย่างมันพัฒนาอินทรีย์บางอย่างมันส่งเสริมอินทรีย์ก็แล้วแต่การเทศบางคราวของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องทิ้งช่วงคือหมายความว่าเทศครั้งนั้นมันเป็นการพัฒนาอินทรีย์ขึ้นไปทนันทันเอง อินี e. ไม่โตพอที่จะไปรับรู้อะไรได้ลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าก็ไปเพาะเชื้อไปก่อนโอากาสต่อไปก็ไปเทศไปสั่งสอนในพุทธประวัติที่พูดถึงพระพุทธเจ้าได้ไปพบกับอุปการชีวกเนี่ยตลอดเส้นทางที่เสด็จจากขยาที่ตัสรู้มาจนถึงพารณาณสีประโปรดปัญญวิคีเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันนะฮะพวกคนคนเดียวท่า น, นเด็ ต่แสดงว่าคงพบคนเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายพระองค์ก็ไม่เห็นอุปนิสัยวาสนาบารมีอะไรของคนเหล่านั้นที่จะไปเพาะเชื้ออะไรไว้ให้เกิดสนใจาศาสนาในโอกาสต่อไปก็ผ่านไปก็ผ่านเลยไปเลยแต่อุปการชีวกเนี่ยมันพบกันในคราวนั้นก็ทำให้เพาะเชื้อศรัทธาไว้ในการต่อมาก็คงจะ ไม่น้อยกว่า20ปีนะฮะท่านก็ได้ออกบวชในสำนักพระพุทธเจา้าแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นรู้สึกว่าเป็นพระอนาคามีนะฮะนี่ก็แสดงให้เห็ น, นว่าธรรมเทศนาบางคราวก็ต้องใช้เวลาเพราะเชื่อเอาไว้แล้วก็วันวันหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีความพร้อมเพราะงั้นบางทีเนี่ยพวกนี้เราจะเรียกความพร้อม ยานในกรณีของการเรียนการสอนมันก็ต้องอาศัยความพร้อมของผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนด้วยเนะี่ยคือถ้าเราดูที่พุทธพาสิทที่พระเจ้าทรงแสดงในธรรมะเราเนี่ยธรรมะชุดเนี้ยมันจะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธายะตรติโอคังบุคคลจะข้ามวงน้ําคือกิเลสได้ด้วยศรัทธาเห็น์ไม่ถึงนี้ผ่านเลยหมายความว่าในกรณี น, นี้ศรัทธานำเช่นพระวักกะลิอย่างเนี้ย ศตาทัตตับริเยนะดุกามเจติคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเราแสดงว่าความเพียร น, นำเรื่องนี้เ อ, อสติโลกาสมิชาคาโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกก็สติก็ปลุกตื่นปลุกให้ตื่นของคนที่สติสมบูรณ์นี่ก็สติเรียกว่าเรียกว่าสติวิปุลโลนิริติภัยบูร์ก็หมายถึงพระอระหรันต์ สมาทิงพิกเวภเวทสมาฮิตโตยะถาผูตรังปชาติดูก่อนพิกษูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึ่งทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิจะรู้เห็นตามความเป็นจริงในกรณีนี้ก็คือสมาธินำปัญญาโล ก, กัสมิปัจูโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญายะบริสุทธิ์ิตคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาเห็นไหมนี่ก็แสดงปัญญานำ พระเจ้าทรงยกตัวอย่างว่าธรรมะห้าข้อเนี่ยถ้าเปรียบเป็นคนก็เหมือนกันปัญญาเหมือนกับราชกุมารแล้วก็อีกสี่ข้อเนี่ยเหมือนกับบุตรของอมาราก็เป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันไปถึงบ้านเพื่อนอีกสี่คนเนี่ยทุกคนก็ต้องตามเจ้าของบ้านแต่พอถึงวังในวังเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้การบงการของ ราชกุมารก็หมายความว่าปัญญาเป็นหลักอยู่ตรงนั้นทีนี้ตามปกติแล้วเนี่ยที่เราเกิดปัญหาเราเกิดความสับสนคือว่าเราไม่ได้ปรับให้ธรรมะนี่เขาได้เสมอกันคือถ้าเราจะเปรียบเป็นรถเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็รถก็มีสีล่ล้อแล้วก็มีคนขับ ศรัทธากับปัญญานั้นจะต้องเสมอกันมันก็สมมติเหมือนกันล้อข้างหน้านะสองล้อเนี่ยสตินี่จะเป็นคนขับเลยสติจะเปรียบเหมือนจเบรคคือตรวจสอบความพร้อมของทุกกุดแล้วสมาธิกับความเพียรเนี่ยต้องประสานกันต้องหนุนช่วยกัน เพราะถ้าธรรมะทั้งคู่นี้เขาเขายัางหนุนช่วยกันอยู่นะสมานเสมอกันอยู่คนชมก็เพ่งดูเพ่งพิจารณาแล้วก็ทําหน้าที่วินิจฉัยตัดสินที่จะปรับตรงไหนที่จะทำอย่างไงก็ดูไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าศรัทธามากไปเนี่ยโอกาสจะงม ง, งายไม่มีได้ง่ายแต่ปัญญามากไปโอกาสจะเฟื้องเนี่ยก็มีได้ง่าย ทีนี้สมาธิกับความเพียรก็เหมือนกันถ้าสมาธิมากไปโดยความเพียรย่อนเนี่ยมันจะน้อมก็หาความง่วงนอนคือความหลับเคลิ้มหลับแต่ถ้าความเพียรมากไปเนี่ยมันจะฟุ้งทีนี้ก็ทำให้เรานึกถึงนิวรณ์นะนะนึกถึงนิวรณ์เราจะเห็นว่าก็แสดงว่าถ้าสมาธิมากไปเนี่ย มันหนักไปทางทีนามิทานิวอนถ้าความเพียรมากไปมันจะออกไปอุทรัจจะคือความฟุ้งสัน้นทีนี้ถ้าศรัทธามากไปเนี่ยมันจะไปใกล้กับตามาชันหรือความพอใจทีนี้ถ้าปัญญามากไปเนี่ยมันชักจะใหญ่มันชักจะอะไรนะอาจจะโกรธอะไรง่ายๆนะฮะคือมันจะหนักไปทางโทสะหรือหนักไปทางปยาบาัย คั้งก็ต้องปรับผู้ชมก็มีหน้าที่ดูเนี่ยอุเบกขาทำผู้ชมก็มีหน้าที่ดูแล้วก็ปรับตามาทั้งทั้งสองคู่เนี่ยให้สม่ำเสมอกันแล้วก็เพ่นดูไปถ้ามันเกิดมีปัญหาก็ทํานองคล้ายๆคนขับรถอนะ คือับรถถ้ารถมันตรงอยู่ก็ไม่จำเป็นได้ต้องเวียงอะไรมากแต่ก็ต้องเกาะติดอยู่ตลอดระยะเวลาแล้วก็ตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาปัญหาจะเกิดขึ้นในขณะใดก็ได้ตามปกติแล้วเราจะเห็นว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราจะหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งอยู่สมเสมอ ยาวันก่อนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเอามาเล่าเรื่องประสีอ่านให้ฟังแล้วก็เอกสารที่บันทึกมาด้วยนะฮะเป็นเล่มแต่ก็ยังอ่านไม่ตลอดแต่ฟังก่เล่านะฮะอธิบายฟังเพราะว่ามันมีพิรุธเยอะมันไม่ใช่เรื่องดูหมิน่นหรือกดขี่ทางเพศหรอก แต่ว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเริ่มที่กายภาพคือร่างกายของท่านจะประกอบด้วยหมาบุริษาลักษณะ32ประการเขาบังคับไปเลยนะฮะต้องเริ่มต้นที่เป็นผู้ชายแล้วก็ประกอบด้วยหมาปริสาักษณะลักษณะของหมาบุรุษ32ประการแล้วต้องเกิดขึ้นในสกุลกษัตริย์หรือสกุลพราหมณ์ แล้วต้องเกิดในยุคที่ไม่มีศาสนาเผยแผ่กันอยู่ไม่มีพระพุทธศาสนาเผยแผ่กันอยู่อันนี้มันผิดตั้งแต่ต้นเลยเริ่มเป็นผู้หญิงเป็นสกุลกรรมกรธรรมดามีลักษณะใกล้ๆกระร่างทรงนะฮะอาจจะทรงเจ้าเข้าผีทว่าไปตรวจสอบให้ดีอาจจะเป็นการต้มตุนอย่างแรงก็ได้เพราะว่าอ่านดูข้อความนะ ดูความที่อ้างว่าเป็นคำเทศเอารมณ์พระก็ไม่มีอะไรนะคำด่าพระธรรมดาธล้มด็ไะม่ค้าปากตลาด ก, ก็ด่าได้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรด่าอย่างนั้นมันก็ด่ากันได้ทั้งนั้นนะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไปอ้างว่าจะุรู การจะัสะรู้เนี่ยต้องไม่มีหลักอริยสัจสี่เผยแพร่กันอยู่นะฮะจึงเรียกว่าจัดสรู้ได้อริยสัจสี่ก็เผยแพร่กันอยู่อย่างมากที่สุดสมมตุติว่าเราจะบรรลุมรรคผลเป็นพระหานก็เป็นแค่าหลานสาวกเท่านั้นเองทีนี้พอเป็นอาหลานสาวกมันก็มีปัญหาอีก่เธอยังเป็นผู้หญิงอยู่และเธอยังเป็นแต่งชุดคารวะอยู่เพราะว่าพระอราหันต์ที่ไม่ใช่คือคารวะที่ บ, บรรลุมรรคผลเป็นพระหานี่ ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะต้องนิพพานวันนั้นหรือบวชในวันนั้นเห็นแต่พอศรัทธามันนําแหละปัญญาไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยไม่รู้ก็ปลอยกันใหญ่ก็ทแลเลเปิดเปิงไปกันใหญ่ก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ด้วยแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรกับท่านมากอันนี้คือคือเราเห็นชัดเจนนะว่าปัญญากับศรัทธาเนี่ยยันได้ยันหนึ่งลำหน้าแล้วมันมีปัญหา เพราะว่าปัญญาชักจะมากมันก็เฟื่องเนียเศรษฐกการเมืองอะไรอ่ะแนะนำให้พระอาจารย์บสึกออกมาดูที่มันพูดพระพูดเท่าอายุตั้งแปดสิบแปดแล้วแปดสิบเก้าย่างแล้วมึงแปดสิบแปดรุ่นพ่อของตัวเองเ น, นะแล้วพระด้วยแล้เป็นผู้เท่าด้วยนะพูดจาออกมาได้ เดี๋ยวคนหนึ่งบอกว่าเอา้าไม่พอใจก็คืนไปหรือว่าบางทีทองอาจจะไม่เป็นมาตรฐานก็สแสดงมาตัวเองรักชาติคนเดียวเองอะไอนี่ที่เราจะเห็นว่ามันพูดมากไปหวดดีมากไปไม่ได้รู้ว่าอะไรมันควรหรือไม่ควรเขาให้แก่แผ่นดินก็ไม่ได้ให้แก่รัฐมนตรีมีสิทธิ์คืนได้ยังไง แล้วคืนให้ก็ไม่ได้นะให้แล้วนะเป็นทรัพย์สิก น, นสก็แผ่นดินใครจะเอาทรัพย์สินก็แผ่นดินไปให้แกใครได้ท่านจะคืนก็ไม่ได้นะเราจะให้คืนเราไม่มีสิทธิทจะให้นั่นคือเครื่องมากไปเพราะลักษณะปกเครื่องมากแล้วมันอิงโทสะเห็นไหมลักษณะสังเกตลองดูทั้งทั้งสองกรณีมันอิงโทสะพูดโดยโทสะก็ทําให้ขาดเหตุผลขาดสติปัญญาไป เวขาสำโพชงก็คือการตรวจดูสภาพจิตตรงนี้แลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าข่วงมากเวลาเนี้ยคือเรื่องศรัทธาไอ้ไม่ใช่นั่นแหละเรื่องศรัทธาคือน้อมใจเชื่ออะไรง่ายเกินไปดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะเชื่อนะฮะแต่ก็มีคนเชื่อแล้วก็ปักใจฝังใจลงไป แก้ไขอะไรไม่ได้นะเรื่องต่างๆที่จริงเนี่ยเรื่องที่กําลังเกิดปัญหาอยู่ในภาษาสร ะ, สะนี่ที่จริงในวงการพวกเราพูดกันมาตั้งนานแล้วแต่มันพูดไม่ได้นะฮพูดไม่ได้ในขณะที่คนกําลังเห่อกําลังตื่นกันอยู่เนี่ยเรากลายเป็นหมาหัวหน้าทันทีเลยเห็นพระริษยากันกลนะัวคนอื่นจะได้ดีกว่าตัวเองอะไรแต่อะไรกไปเ ร, รื่อยเพราะนั้นเรื่องมังเรื่องเนี่ย มันต้องมองด้วยความสงสารไปเลยคือ ท, ทำอะไรไม่ได้ก็เนี้อุเบกขาอุเบกขาในแง่ของภุมมิหารหนะ้าตรงนั้น ร, ระดับบอุเบกขาในปุมมิหารทีนี้ความเพียรพยายามก็เหมือนกันคือถ้าเราทําอะไรมากเกินไปอย่างมีพระเถระรูปหนึ่งท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกเลยกายประสบเวทนาใจก็ไม่สงบหรอกก็เรียกว่ากายกระสับกระสายใจก็ต้องกระสับกระสาย ถรารูปหนึ่งนั่งสมาธิก็สับประโมกเราก็สัประกบ่อยนะนั่งสมาธินี่ก็แสดงว่ามันไม่เป็นธรรมะธิและบางทีก็อาจจะไปจินตนาการไปฝันแล้วก็ปรุงแต่งออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นถูกเป็นตะาเลอุเบกขาตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตดูนะฮะว่า สรุปแล้วก็คือสติสัพยัญญาความเพียรข้างบนสามข้อเนี่ยสติสัปยัญญาความเพียรซึ่งเป็นธรรมะที่ทรงสอนทุกเรื่องในเกียก่ยรติกามฐานเนี่ยสามข้อนี้ต้องต้องเป็นตัวหลักเลยสติสัพยัญญาความเพียรจะขึ้นอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ตามปกติถ้าเราได้ยินบาลีเนี่ยท่านจะสวดอาตาปีสัมปชาญโนสติมาวินยะโลเกปิชาโดมันัสฌา นีาตาเพียคือมีความเพียรพยายามที่เป็นไปทางกายทางจิตอย่างแรงกล้าเผากิเลสได้ร่าร้อนมีสัมพัญญะาความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติความระลึกได้ระลึกทันแลว้วก็นึกออกตรงนี้ที่จริงระลึกทันนะคือเน้นปฏิการระลึกทันประติจะทำหน้าที่เฝ้าระวงังเวขาก็ที่จริงเฝ้าระวังนะ แต่เป็นการเพ่งดูปรับสภาพจิตปรับสภาพจิตต้ค้อน เ, เสมอกันก็ประคองรประคองรักษาไว้ยอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าด้านไหนหนักไปก็แก้แก้ไขไปเรื่อยๆก็ ต, ตามต้งควรแก้กรณีก็คล้ายๆกับขับรถอย่างที่กล่าวนี่ครก็ประคับประคองรถไปถ้าล้อเลอิศไม่มีปัญหานะทางเดินของรถก็ไม่มีปัญหายัางตรงดีอยู่ก็ประคองให้ตรงไปอย่างนั้นนะเป็นลักษณะอะไรล่ะ ปรับจิตแล้วประคองจิตรักษาจิตหมายความมาปรับจิตให้มีธรรมะสองคู่เนี้เสมอๆกันในแต่ละคู่แล้วก็ประคองจิตให้มีธรรมะเหล่านี้อยู่ในในสภาพเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ว่าการ น, นะถ้าลดลงก็ต้องปรับแล้วก็รักษาไว้ถ้าประคองไม่ได้ก็รักษาไว้ไปเรื่อย que. ซึ่งดูแลเป็นการปฏิบัติที่จะต้องอิงอาศัยซึ่งกันในการหลายฝ่ายเพราะอย่าลืมว่าอุเบกขาในสัมโพชฌงนั้นเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่เจ็ดในสัมโพชงซึ่งพัฒนามาจากที่จริงเป็นองชาณนะพัฒนามาจากองชาณแต่ตอนนี้มีลักษณะของปัญญาที่เด่นขึ้นมาก คือมีการตรวจสอบและการสําคัญในชีวิตของเราก็คือการตรวจสอบแต่ว่าสังคมเองนั้นชอบตรวจสอบคนอื่นนะไม่ค่อยนิยมตวรวจสอบตัวเองแล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นคณะบุคคลที่ไม่เคยผิดอะไรเลยคือไม่เคยทําผิดมีแต่คนอื่นทําผิดไอ้ น, นี้ก็คือสิ่งที่คนข้างมีปัญหาอยู่มากนะในบ้านในเมืองเรา เบขะตรงนี้จึงอุเบขาในแน่เพ่งดูแล้วก็สวจสอบปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับจิตประคองจิตรักษาจิตให้อยู่ในกุศลต่อเนื่องยาวนานไม่ยิ่งไม่หยอนต้องฟังเท่าไหร่แต่รลงพโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอองามไปบูรณาธรรม